ชื่อปาพิคุณมนุ่มเจริญนะคะรู้จักกับท่านของพ่อเราเพราะที่เด็นนกนะคะปีสามสุพอรู้จักก็ได้ปฏบัติด้วยห้าวันก็ไม่รู้จักเห็นจีแท น, นใจเจ้าของเตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคย ไปยินใครพูดเรื่องจิตมาก็ไม่รู้จากว่าจิตตัวเองตัวเองเป็นยังไงอะไรเล่าโดยการรู้จักหลวงพออ่อก่อนเนาะเขาค่อยเล่าถึงการปฏบัติแต่เวลาฟังเราต้องรู้สึกตัวไปด้วยนะคะอย่าฟังด้วยความเพลิน อ, อย่าฟังแล้วหลงไปกับเราประเมินหรือเสมมการได้ยินได้ฟังนี้อาจเกิดอุบ หรือไม่ถูกนะคะอันไหนที่สมควรเอาได้เรวก็เอาเอาไม่ได้เราก็ทิ้งคือการรู้จักผมวงพ่อครั้งแรกห้าวันก็รู้จักตัวเองค่ะคือมาทำามรู้สึกตัวนี่เด็ดแต่บอกเออห้าวันนี้เราก็สงสามาัแรกสภาพติดเราก็ทุรลาด้วยแต่พอสี่ห้าวันไปเราเห็นมันนิ่ง เราก็เลยว่าพองแค่ฝึกรู้สึกตัวนี่ก็สามารถเขาเ้าไปรู้จิตเราได้นะคะแล้วก็เห็นมัน น, น, น, น, น, น, นิ่งอีกมันวิ่งไปแล้วท่านหลวงพ่อก็อชวนไปวัศมะนในพอไปว่าสมันในเสด็จแล้วก็ต้องมาทต่อที่บ้าที่รู้จักหลวงพ่ อ, พ อ, พ อ, พอก็เพราะว่าชอบไปวัด ก็เลยเจอท่านบ่อยเพราะฉะนั้นพอเรารู้จักปฏิบัติธรรมท่านก็ชวนว่าไปีสารบ้างไปยูบ้านเขาว่าทำอย่างไรให้มาทำบ้านเราบ้างก็ไม่ได้เลิออะไรเป็นคนที่ว่างไม่มีครอบครอยากไปไหนไม้เปหมดเลยก็เลยไป ต่อไปพูดก็ไปสังเกตการว่าการอบรมเขาเป็นยังไงเราผู้อบรมเป็นยังไงเวลาในสถานที่ปฏิบัติรูปแบบเป็นยังไงนอกรูปแบบเลยมันจะเรียนรู้สิ่งที่หลวงพ่อไปนะคะนานไปนานไปหลวงพ่อก็ยกตำแหน่งให้เขาให้เป็นเป็นตำแหน่งที่ชอบมากเจ้าเป็นกองหนุน ไปไหนหลวงพ่อให้ทำตัวหมดหนักเอาตัวสู้ยิ่งเราได้สัมผัสกับจิตกับใจเราบ้างมันมีกำลังมากที่จะทำงานไปเข้าค่ายแถวอีส า, านตามเขื่อนให้คุลอย่างอยู่ลาพาวันอะไรหลยพ่อไปหมดไปทุกที่ที่นั่นไปเป็นนักธุรนะคะ ตำแหน่งนี้งผูชอบที่สุดแต่ไม่ทิ้งความรู้สึกตัวนะคะอาภิคุณนี่แค่เราปฏิบททัติธรรห้าวันสัมผัสความรู้สึกตัวได้เราสามารถมองใจตัวของเหี้ยนี้ก็ถือว่าความรู้สึกตัวมีค่ามากที่สุดไม่ว่าอะไรเปรียบเทียบได้หลังจากนั้นเราอาศัยความรู้สึกตัวทําำงานนะคะอาภิคุณเราจรินะ แต่ไม่ได้มายกมือนานๆเหมือนสมัยดีแต่ตอนงานเยอะมากอย่างหลวพ่อปไปไหนภาคยี่สิบสาสิบสี่สิบตามเราเป็นแม่กลัวแม่ผีโกล่กลงคืนก็เย่ำคืนก็ไม่ได้นอนเตรียมอาหารช้าแต่ก็ไม่เบื่อเลยที่ใจะทำงานเลยยังหลวงพ่อหรอ ระดับสติปัญญาหลวงพ่อนี่ยระดับีลนก็ผล่มาได้หล้ยามีหลากหลายให้เราข้อมูลทุกอย่างที่ท่านไปเจอมาไปไหนมาได้มาโยนให้หมบท่านพีุ่นเป็นคนวเด้อเป็นลุกสิษย์ที่มาด้วยสำหรับหวงพ่อดเดียวท่คนพ่บอกไม่เอาไม่ไมท่านบอกว่าทำสกักรไหม แต่ลูกมาทำหมดแล้วแม่ทำอยากมาทำสติอะไรอย่างงี้ตามท่านไปสีห้าปีนี่ตามที่สามท่านนั้นจนกว่ามาอยู่แพทย์เสีเยเพีนเพราะไม่อยู่แพทย์เสีงเยงีนี่นะคะหลวงพ่อนะถ้าพระทำงานต้องเรียกตัลกอุ่นไปดูไม่ไปก็ไม่ได้บอกต้องเรียนรู้ทุกอย่างทั้งหมด เราก็ไปรูปศิษย์นแรกก็กลุ่มอาจารย์ชูทิยาอาจารย์ชูพิงอาจ า, ารย์ศรีแต่กม่นีนะคะรัอุดบออุดอะไสูดน้ำอะไรน้าไม่มีตักน้ำรถต้นมะข่าต้นยางพาราที่แพทย์ศิริใาลำบากมากนะบลำบากทริจิงไม่มีอยู่อยู่ทางโลกไม่ลำบากนะ อยากไปก็ไปอยพักก็พักแยากนอนก็นอนอยู่วัดไม่ได้ตาใจตัวเองเลยเขานอนกันยังไม่ได้นอนก็มีนี่คือาการอยู่กับหลวงพ่อที่เด็ก น, นคะคะท่านมีความสามารถมากก็ะจะให้เราทำตามผู้อื่นเวลาเยี่ยมลูกศิษย์ลูกหาท่านมากเขาไปเมืองอกกัน น, นานไปไหนมามากหลายที่แล้วก็ลูกศิษย์น่ะมากก็เลยเลิกไป ท่นก็อยากให้ใจาอยูนะ่เราคิดว่าเราแก่แล้วกาลังเราไม่พอเราก็เลยอยู่กับที่จะ่ยิ่งอยู่กับที่งานก็เยอะเหมืนอ น, น, น, อนออกันที่แพทย์สิเกตว่าคนนี้ชอบหนักหนุนใจที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เจอหลวงพ่อเนี่ยเราได้สิ่งดีๆเยอะแยะเลย ทำให้เราสามารถช่วยงานหลงพ่อได้ระดับนี้หลวงพ่อทิ้งตั้งแต่ปี40ก่อนปี40ด้วยซ้ำ ไ, ไปมาแล้วก็ท่านก็ไปเอยอะพวกเราถ้าหลวงพ่อไม่อยู่นะเราจะคุยกันว่าหลวงพ่อไม่อยู่นะต้องทำให้เข้มนะอยู่หลวงพ่อมาเราไม่เอาไหนนว่าให้นะไม่ใช่ว่าคุูบาลาารไม่อยู่ ขี้เนะกีจยจนะแต่คุณจะพยายามจะตุ้งพวกเดียวกันผู้หญิงเราคารวะว่าต้องนานจริงๆงพ่อไม่อยู่ก็ดาจริงเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็ก็คือสติหลวงพ่อก็คือความศรัทธา น, นี่ใสและความตั้งใจดีบอกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อจากเราไปแล้วนะคะ ไม่จากบาคุณเลยไม่เสียใจหรอกจีตไม่กะเพิ่มเลยแต่เสียดายเสียดายของพ่อมาคิดคนเดียวว่าถ้าการเสียของท่านมรณ า, าพาดของท่านที่ท่านไปอยู่สักหน่วยนอกนี่จะตามไปเอามาบอกคุณพ่อที่งานได้ไมีีแทนไห่เราเยอะแยะ มีนานีห้จะไปดูขุนให้สวดให้เราบวชข้าให้เลยเนี่ยเตรียมทรกอ่าแล้วก็สละขุนให้สวดอีกนะช่วยเป็นคณะให้้วยนะแล้ก็สั่งส่สั่งวันนี้พรุ่งนี้เราโทกลับไปโทกลับไปไม่รับสายดิจนข้ามาสบวาโทราแ้ลพ่อมะรแต่สลำหลวงพ่ออยู่ก็ไป้าที่บุญตลอดเวลาเจอกันครั้งแรกทรบอกว่า พบกันอย่ามีหญิงมีชายนะมีแต่ลูกกับน้ำฟังรับประจดไม่ยังมาคิดํามว่าหญิงว่าชายแต่ก่อนเราก็ไม่สนใจหรอว่ายังไงมีอะไรให้ว่ากันได้ทุกอย่าง อ, อแล้วก็พ้นรู้ไม่ได้นะชาตินี้แค่นี้ที่หนุน้อยสอมันเอาแค่นี้ป้าทุก ค, ค, ค, คนจะคนง่ยจะจำคำแม่ๆ มื่อตอนมาบอกตัวเองตลอดเวลาว่าต้องทำนะมันทุกข์นะเกิดมาแต่ควจริงป้าลูกุนเป็นคนไม่รู้จักทุใช้ชีวิตเป็นคนอิสระกับพ่อกับแม่ถ้าจะไปไหนแค่บอกว่าจะไปน่นไปนี่ไม่ฟังคมเข้าม่ตอบแต่ก็บอกให้ทำนี่คือความไม่หัวแข็ง แต่บอกจะไม่ฟังคําตอบจะไปไหนก็ช่างแม่จะไปนั่งนะไม่ได้ยินนะคาตอบเราหันหลังไปเลยแต่จะพยายามไม่ทาตัวเองเสียหายนะคะเที่ยวไปไหนนี่ชอบหก็ประเทศไทอยากไปดีก็ไปค้าขายก็พอมีใช้ค้าขายแต่ตายมากมีอะไรก็ใช้สื้สุลได้พราะมัน พอมาเป็นญาธรรมแล้วาหันหลังกลับไปดูตัวเองคนเดินมนะคะน่าสงสัรตัวเองนมากน่าสงเก็ตัวเองมากว่ า, วาวถ้าเราไม่มารู้จักเรื่องกันแบบนี้ชีวิตเราจะเป็นยังไงทุกวันนี้ใครจะเป็นยังไงบ้างคุณไม่สงสัยว่าทํำไมถึงเป็ น, นะคะ่ะเข้าใจทีเดียวเพราะยานธรรมะในเรารู้เศษมาก สามารถเปลี่ยนแปลงพ่อแม่นะเนเปลี่ยนต้อมคุณไม่ได้นะสมัยก่อนเล่นภพยก็ได้แม่บอกยังไงก็ไม่ฟังแต่แม่เป็นคนใจดีมากไม่ได่าดูเสียบากว่แม่ก็แม่เสียสโลแต่พูดค่อยๆใจดีมากนั่งไหนรับนั่นแม่นะ เพราะฉะนั้นเราก็โชคดีใน แ, แม่ใจดีเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราไม่รู้วุ้นน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นตั้งแต่อู้คุณรู้จักผมว่าเด็รู้จักความรู้สึกตัวนี้ป้าคุณจุดมู่ไม้ยตัวเองอย่างเดียวนะคะไม่ได้คิดอยากเอาใครไปเลยเราไม่มีคิดอยากมีสถานที่ปฏิบัติไม่มีในสมองเลยรับรอง ไม่ได้พูดเอาด้วยสัจจะไม่คิดประกอดไว้ก่อนเลยว่าเราจะเป็นยังไงแต่การที่เราได้รับใช้พระเจ้ากระส่งเป็นกองหลงหนึ่งภาคภูมิใจที่สุดอยู่กับพระเ้่าเกือบสามสิปีนี้ยิ่งรุ่นแรกๆสนุกมากกับคุณหลวงพ่อคุณธรรมอะไรตัวนี้ตาพี่คุณเวลาไปก็ชอบไปฟัง หลวงพ่อพระคุณเท่ากแก่คุยกันบางทีไอสารพีสามนสามอะไรนี่นะสามศูนหนึ่งนี่กำลังเที่ยวเที่ยวที่จะประกาศรัฐทรรมตามจังหวัดต่างๆแล้วก็หลวงพ่ออีสารพูดภาษาอะไรไม่เป็นพอฉันเสร็จนะคะ ท่านจะ น, นั่งกลุ่มคุยกันแล้วก็แย่กันเนี่ยพูดไทยไม่เป็น <c ười> แะมีป้าในกุณคนเดียวเป็นผู้หญิงที่นั่งนวลละชอบมากเลยแล้วพระไม่กอนการานแ ล, น แ, ลนแคล ม, มากที่วัดป่าอะไรนะจี่ที่ชุมแพร วัดหลวงพ่อพอดีมันทำไมนั่นแห้งแรงมากนะหลงปู่หลงตาตากอาหารที่หลังได้แต่น้ำแกงแต่ข้าวเหนียวใส่กระมังนั่นบอกว่าเออโยมตาไปก่อนนะพวกหลวงพ่อห้ตากที่หลังได้เยอะดีจะได้เยอะที่จริงเดี๋ยวแต่้แกงเวนั่นก็ข้าวเหนียวปันอบรงทีสามสี่ร้อยพรานาลังส ปีนะั้นจำได้เลยว่าเสี่ยวกันนี่มันเป็นผู้ชายสองสามพุ่มต้มข้าวไว้ละคนสามสี่ร้ อ, อยแล้วก็กลัวไม่ทันแล้วก็หนาวก็หนาวคนสีร้อยค น, นใส่หม้ดแก่สีหกิี่โลเองอันนี้ก็ไปดูเขาแล้วว่าพีุ่ณมันไม่ชอบกินกระตู้ ตอนเช้าต้องการหายใจเกินเราเรียกไปเดินตะกคลอาหารการกินเนี่ยกำวันแค่ได้เจีวสักหน่อยตักผักสสเดาลวกอะไรนี้ก็สุดยอดเพราะฉะนั้นปอาไปกุณถือว่าพวกข้าท่านใดนียบุญมากคุญที่ทำไว้ก่อนแล้วมาเข้าวัดยุคนี้สมัยนี้สมบูรณ์คุณสุกไปที่เครื่องอยุงก็ไม่ได้ขาด โยงก็ไม่ใ่ไรก็ไม่ได้ตอแต่ป้าลูกคุนนะั้นทมากในม้งแรกก็ไม่มีต้องไปหาที่สยัยงที่แหงแรงร้นอนมากเอาว่าขนโนูชุบก็้วบิดหมากๆคุมตัวแลเดินตรงกลมแป๊กเดยวแห้งปากแตกสุดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเอาจริงเสยอย่างสามารถเลือทพุกได้ ตอนนคุณตาสีตาานะคุณแม่ครัวอนนี้มรมัไม่ยากเจะเอาไหมนะถ้าเอาไม่มีใครว่ายากแต่คนที่ยังไม่อยากเอาว่าทามัดยากสังเกตดีๆนะหาเงินยากมีหลายตังหาสองครั้งสาครั้งหา้าปีสิบปีขาดทุนอู่เงินธุรักฐรูเลเครียดอันนี้ ไปสมัครก็ง่ายสอนแป๊เดียวเป็นเด็กเดินอยู่โค้งแต่ที่มันไม่ได้กันเพราะไรพิเดตมันไม่เอาเราก็ไปด้านเชื่อพิเดมันขี้เกียจก็ขี้เกียจตามพิเดตไม่อยากพักก็พักแต่ป้าพิคุณไม่ดีเลยห้าจเจ็ดสิบศึกษาอะไรอะต้องศึกษาให้ได้ง่ายจัว่าเดินไปไหนทําได้หมดตอ้แต่ลืมตามจนหลับ สามารถทำได้พอมาสวดนมนต์เช้าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการตรงเรี้ยที่พระพุทธองต์องตรัสไว้รูปแบบของเรามง่ายมากอธิตย์ตาอาาปากขื้นน้ำลายเอ็นสติหมดแต่ที่แล้วมาคนเราเป็นสติโดยสังชัติญาณยลวงาก็เทียนถึงมีเทคนิคใหม่ให้เรา ได้มาทำาน ป, ปัจจุณ3นสามสปีไม่เคยหยุดสักวันนั่งทางานอยู่รู้สึกตัวไหมเดินไปไหนมาไหนรู้สึกตัวไหมปูกผรู้สึกตัวไหมไปตลาดขายอาหารตามสั่งปฏิ บ, บัติธรรมปีได้สามารถเอาพวมรู้สึกตัวขายอาหารตามสั่งได้จีบบ้านได้รับรอง จนลืมไม่ได้กำไรเลยค่ะทุนแต่ละวันเพราะมันไม่ได้เหู่การค้ามาอยู่กับตัวรู้สึกด้วจริงๆขายอา ห, หารตามสั่งนะสงสารเขาด้วยบางคนแต่ก่อนขายทุนละสิบบาทคนหนึ่งมาซื้อสีบบาทสองคนบ้านเขาจนเราก็ให้เขาได้กินสองคนแต่พอขายเสร็จ ก็เฉยๆอีใจก็มีเสียใจมีบางวันสองทุมหมดละบางวันสามทุ่มสี่ทุ่ยงไม่หมดมันก็เฉยๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ยากถ้าจะออกจริงเรต้องคิดอย่างนี้สิว่าพิ่ไปเป็นคนเหลวย้อนดวงชีวิตสวรรค์มาหนาวอม เป็นสารแข็งสารน้อยมากเลกือบจะไม่ได้อะไรมันคิดว่าถ้าเราตายเมื่ออายุสามสิเก้าหมดสิแล้วเราจ ะ, ะ, 6, ะรับบก็เห็นไปนอยู่ไนีนทุกวันนี้ดูข่าวดูคิดดูในทั้งหลายสั 3, งคมนะคะสะดมากแต่ที่แย่ๆนะโลก กลัมโรคเวรเนี่ยนากลัวมากหมอก็รักษาไม่หายเงินทองทรัพย์สมบัติแก้ไม่ได้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่รอบข้างแก้กันไม่ได้แก้วันนี้ก็ยังมึนแก้พรุ่งนี้ก็ยังมึนธรรมะของพระเจ้าทีปโาษณากรรมฐานนะั้นเด็คขาดแต่ต้องคนเจ็บมือ โลพวกนี้มันพาประมาณใจน ะ, ะถ้าเราต้สู้ทุกคนผ่านนะคะพระมหาอุเจ้าวิเศษเป็นยาครอบจักรวาลโลกอะไรก็หายนะครับโลกสึมเศร้าโรคเลปต์หนาราคะโรกโรโกรธเลงโลกเห็นแก่ตัวแก่ได้ใจร้อนใจดำพวกนี้แก้ได้หมด มันคิดให้ดีพวกเราพิจารณาชีวิตเจ้าของที่เหลือก็ับแต่ที่แน่ๆใกล้ตายทรมาณมากตัวนะนี้เลือดดินน้ำลมไฟเลืดลมทั้งหลายก็กีดินน้ำลม ไ, ไ, ไฟเรายังสามารถีกันอยู่นะวันไหนมันแตกแยกกันวันนั้นเราจะไปวางไวไหนมันนะนะักนาส้าบโกรธ เขาบอกว่าชีวิตคนเรานะเดีอดร้อนมากเลือกเกิดไม่ได้เลือกอื่เออ่เลือกไปได้อย่าไปคิดว่าการตายไม่สาะคะัญค่ะคุณจะรู้เมื่อคุณจะไปไหนแล้วคุณจะโดนอะไรก่อนที่คุณจะได้หน้าตัวในวันนั้นคุณแก้ตัวไม่ได้อยู่สายเสร็จแล้ว แต่นึกว่าตายเราไม่รู้อะไรเลยค่ะรับรองเป็นเรานี่เนยรู้ทุกอย่างเหมือนเรากลัวขนนันยังไมถ้ามันไม่รู้ก็ดีสิไม่ต้องไปทำอะไรแต่ที่มันรู้สิหลวงตา m าหา r ว j บอทุกวันนี้เราสงสารผีมากเห็นไมู่้ว่ามันรู้อะไรไปดูเถอะจิต ก็แม่คุณบาอาจารย์ที่ทำได้นะะอีกท่านมองสามารถเห็นทุกอย่างหลายวิธีเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเรื่องว่าตายแล้วไปอยู่อะไรอันนี้น่ากลัวมาทําไมคนทุกวันต้องเจอปัญหาซ้ำซากซากอเพราะกลัวไม่รู้ตัวเองทําอะไรกับบ้านที่เราเจอคนดีเนี่ยเราก็ทํามาเจอคนเลวเราก็ทํา เจอลูกเดีวเราก็ทํำมาเจอสามีเดียวเราก็าเจอภรรยาเดีวเราก็ทํำมาเจอดีเราก็ทำมาทั้งนั้นที่ตาบอดหูหนวดทํามาทั้งนั้นนมาพ่อแม่ลูกที่ฆ่ากันทุกวับบนนี้ก็ทํากันมานะคะเพราะฉะนั้นเราช่ดีถ้าเรามีตัวนี้เราจะนอนเหตุของความเสุขเหตุของความเสรเลิศเลย เหตุของควาพมปวดร้าวผมขีดและเหตุของปวดสุเสนุมันมองเห็นหมดทั้งเหตุทั้งผลทุกอย่างนี่แหละธรรมะหรือเจ้าไม่ยากเลแต่ต้องอาศัยการเวลาเลยนะคะแต่ปฏิบัติอย่าเลือกการเลือกเวลาถ้าเลือกการเลือกเวลาไม่ทํา เพราะฉะนั้นลงถ้าหลวงพ่อเทียนสอนรู้สึกตัวมีสอนรู้นะเพราะแม่ครูบาอาจารย์ส่วนมากต้จะสอนแค่ให้มีสติเนะอเป็นสะติสตินี่แค่รู้ว่ารู้ฉันทำกำลังทําอะไรอยู่แต่รู้ตัวหลวงพ่อเทียนนรู้สึกมันเจาะไปที่ฐานใจถ้าเราว่าเรากําลังยกมืออยู่นะอันนี้แค่รู้ระลรูถ้ถ้ารู้แต่แทนรู้สึก ยกนิสตยุรู้สึ ก, ก, สกอันนี้รู้ตัวตัวรู้ตัวที่ทางหลวงวิทยูนแนะนำนะคะถ้ารู้มากมากมากทีทๆท ท, ท, ทตั้งแต่ตื่นจนหลับได้นะ้นไม่เกินเนป็บไปแล้วก็อย่าชอบพูดชอบคุยอย่าส่งจิตออกนอกไปอยู่กับเพื่อนเนวั หยุมันตระหวัดแสบไปแสบมาระยงไม่อยู่กับตรงนี้บางที่เขายกดล้มยบจริงแต่ใจมันไม่ได้อยู่ที่การขึ้นไหวมันอยู่ที่เพื่อนบ้างคุยบ้างอะไรบ้างนี่ก็ยกฝีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายกรู้จริงๆเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันสติสัมปชัญญะมันจะสมบูรณ์ครั้งหนึ่ง่ได้อย่างน้อยนะพลังอย่ สมโพนคือเข้าถึงความรู้พร้อมมันจะรู้ตั้งแต่หัวจนท้ า, ายในทสติสมโพนค่ะแล้วจิตจมันจะนิ่งเพียนมันจะรู้หนูไดยนินตาเห็นเย็นน้อนหอบมันแข็งเขรื่องตื่ทั้งหมดทุกอณูของร่างกายนีน้ช้ามากพอาเข้าถึงความรู้พร้อมสภาวะของความรู้พร้อมเนี่ยสภาพจิตของเรานี มันจะลืมไม่ได้ลหลังจากนั้นมันจะระคารที่มดอกบอกเลิกก็ไม่เลิกหอกถ้าใครจอ้อยยนนยกกยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยนยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยนยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยถ้ามันรู้ยยยอมค ร, มรยยยยยยยยยัยยยยนัยยยยยย้ยมยยยยยยยยยยยยยยย เรามันจะเป็นมากกว่าทุกครั้งมากกว่าทุกครั้งแล้วก็มากกว่าทุกครั้งอีมันจะไม่เท่าเดิมอาการที่เกิดเราอารมณ์ปัญญาทุกค น, นจะไม่เหมือนเดิมจะละเอียดความเบาความนหนักอะไรพวกนี้ก็จะให้เราสัมผัสได้เขาเละเอียดขึ้นความร้อนที่มันอยู่ในใจนร่นะคะ มันเราเคยเห็นมันดิ่นราดราดหรอือปุดปักบปุปัตัวกระเพื่อมของมันก็ลมลดมันจะลดของมันเองนะคะเราไม่มีสิทธิ์ทำอะไรในเราเลยนะคะนนงานเป็นบานทธรรมเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรไาเลยนะคะเพียงแต่ฝึกสติสำใปชัญญะให้มาก หรือจะใช้อีกงาหนึ่งว่าเพี้ยนเอาเบาเพี้ยนเอาเปียนเพี้ยนเอาตามงแต่รวยเราจะพูดภาษาง่ายนะคะถ้าเราทำมากก็่าไหร่เราจะเรื่องชีวิตเราจะตายนะแต่เวลามีอะไรเกิดขึ้นพยายามรู้สึกตัวไอยู่กับมันให้ได้นะคะ บงทีเวทนารุนแรงมากมาทาั้งทางกายและทางใจและทางอารมณ์ประดังประเดมาเนี่ยอยาให้คนสนใจรู้สึกตัวอยู่กับเขาให้ได้รู้สึกตัวไว้ส่วนมากนักปฏิ บ, บ, บาัาิธรจะไปแก้ไขไม่อยากเจอหารู้เว่า้านนั่นแหละฝืนสั่งที่มันประดังประเดมารู้สึกตัวไว้ตัวรู้สึกตัวเป็นหลักทําให้จิตเน่น ใจไม่ขวัดไม่แปล ก, กไปกับอารมณ์แทนไปรู้สึกตัวไว้แต่มีอามรมณ์อยู่นะคะเราทําจับหลับไว้จับหลักไว้จับหลับไว้พอพวกนั้นที่ประดังประเด็นมนมันก็ไม่คิดเที่ยมันจะผ่านออกไปนะคะยังไงมันต้องผ่านไปผ่านมาพอมันผ่านไปปุ๊บจิตแต่จะพิกทันที หลังจากนั้นอารมณ์เราจะต่ำเพราะฉะนั้นหัวใจของการปฏิ บ, บัติอยู่ที่ปฏิบัติต่อเนื่แต่มันจะได้ดีแค่ไหนยังไปอยากไหมยนะังไปอยากให้มันต่อเนื่องแต่เราฝึกต่อเนื่องาการฝึกต่อเนื่องเป็นข้อดีของการิ บ, บัติคือเวลาเราทําต่อเนื่องนี้โอกาสจิตที่เราจะไปอยู่กับคนอื่นก็น้อย แล้วสติที่มันรั่วก็น้อยแล้วก็สติที่เพิ่มก็เพิ่มเรื่อยๆแล้วไอ้ที่ไม่เอาไหนมันก็ลดไปเรื่อยๆนี่คือเป็นวงอนของสติและปัญญาและเป็นวงอนของกิเลสที่มันจะถอยลด ถ, ถอยจากเเพราะสติสมาธิปัญญาเปนแสงสว่าง อิดเด็ดเหมือนความรู้ถ้ามีแสงสว่างของเมื่อตะวันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความอดทนนะคะอยู่กับตัวเองให้ได้ป้อพิจาาหายใจนั่งง่วงๆให้นั่งหลังให้ตรงต้องหายใจลึกๆเข้าไปแล้วก็ออก ย, ยาวๆสองสองครั้งไม่จะตื่น เพรานั้นเป็นธรรมดาถ้าสติเราไม่พอเนี่ยมีบอลมีข้อความแต่ถ้าสติเราเยอะมันก็ไม่ถูกข้อความเต็มร้อยเป็นธรรมดาเราต้องเห็นเราแพ้ก่อนเราต้องเห็นไม่เอาไหนคเราต้องเห็นว่าจิตเราเป็นยังไงคนส่วนมากแต่มีคนถามป้าวิคุณจิตว่างเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เห็มันเป็นยังไง รีบทั้งวันอะไรรุดไปหมดทำจนมันไม่เรยียบไลยเราจะได้พูดได้ไหมใจเราไม่เรยียบเลยต้องเห็นมันเียต้องเห็นมันพุ่ต้องเห็ น, นเราอด เ, เองแต่ถ้าเราท้อถอยเราไม่มีสิทธิชนะใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นกันบารมีไม่ใช่ของยากเกินกำลังทำให้กน ที่บางคนปาดาาคุณนะคะ่ะแต่พี้คุณบอกว่าทุกคนมีดีกว่าไปอีกเมื่อ ง, งานการศึกษาทุกคนมีพอสคมควรบคนมีเยอะมากบางคนไม่มีอะไรเลยจริงๆมีแต่จะลองทําดูว่ามันเป็นยังไง น, นะคะไปทําค่ายที่ไหนที่ไหนให้ทาอาหารบ้างจะไม่ให้ักทุน คุยกับตู้เย็เธอทําอะไรอยู่ดีเขาสวดมนต์เรายังเตรียมอาหาอยู่เขาสวดมนต์นะเธอยังไม่ได้สวดมนต์เลยเธอรู้สึกตัวไหมเธอขาดบุญนะเราจะเตือนตัวเองตลอดจะมาร่วมพิธีกรรมน้อยมากเพราะเรามีงานแต่การที่ได้อุปราคาอุปัมณ์มีนับใช้ได้เจ้าประเสริฐ ส่วนผลบุญบารมีไม่พูดต้องพูดถึงเลยไม่น่าเชื่อว่ายิ่งใหญ่มากพอเกิดกับเราคุกเราโห้เรารับใช้พระเจ้าประส่งมาเกือบสามสิบปีที่ป้าพี่คุณตั้งแต่ไปอยู่วันแรกนะอะไรที่ไม่มีผมไม่มีมีแต่เหลือเราทำอะไรง่ายไปสุดอย่างไม่มีอะไรยากเลย ถ้าใครชนะจิตเจ้าของได้ทำอะไรเป็นเรื่องง่ายไม่มีเครียดไม่มีกมมังวลแค่คิดนิดๆใหน่อๆมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นกุศลผลบุญและบารมีที่เราสร้างสมบัาิไม่ได้ได้ปีหน้าชาติหน้าอะไรสักอย่างมันได้กลอดเวลาบุญบุญไม่กริง บาปมีจริงสวรรค์มีจริงโลกมีกริงนิพพานมีกินนะครับเราต้องศึกษาให้ได้ถ้าเราเกิดยุคหลวงปู่มั่นหลวงปู่ตาหมาบววเราอาจจะไม่ได้ธรรมะก็ไดะหลงตามมาบวนวนัวว่าั้าก้นไม่เน่าเราดีไม่ได้ธรรมะต้องนั่งจนก้นนองตองยิ่งลวงปู่มั่นเนี่ยนั่นต้องไปอยู่ที่ผีเยอะที่ เสียเยอะที่ไม่มีคนเป็นเหี้ยวนอนโรคภัยไข้เจ็บก็เต็มหมดเข้าตากดมื้อกินมื้อแล้วก็อะไรให้ป่าให้มานันเดียอะไรเต็มหมดไปอ่านประวัติท่านอินทรีย์อย่างพวกเราไม่ยากแต่เราเจออยู่ทุกหนทุกเสียงที่รัดสั่งง่ายมากทําได้แต่เราลาแล้วก็ต่อสู้กับ ศัตรูซึ่งหนายไม่ต้องหลบเรียงเอารู้สึกตัวสู้อย่างเดียวขอให้ได้หลักรู้สึกตัวอย่างเดียวนะไม่ต้องสู้เลยพวกนั้นมันหนีที่ทตน่อยแต่ไปเรายังไม่เจอตัวหนูสึกตัวที่ละเอียดนี่อาวุธป้องกันตัวเรายัางไม่แหลกคม น, นะคะเข้าฝาดไปด้วย พี่คุณก็ยังเดินทางอยู่นะคะทุกวันยา่างเขาสร้างที่เป็นบาตรทำให้ไปเราไม่ได้เป็นไปเป็นผูบาดเจาบเลยนะเราบอกเราเป็นเพื่อนกันแตคน่ควนตระหาตัวเองไม่มีใครห้เราได้เราจะไปสอนใครไม่ได้ตัวเราอะเราทุกเรามานอย่างเนี้ยรื่อมาก รัเราถ้าเราไม่สอนเราเสียไม่มีทางเราให้คนอื่นมาสอนเรายังไงก็ไม่มีทางใครจะมาเห็นเราตลอดเวลาใช่ไหมไม่มีใครเห็นคิดสารพัดคิดอยากทําอะไรก็ทําน่าเกลียดที่สุดเราใช่ไหมดังนั้นเราต้องสอนเราเรามองเห็นเราเรารู้เราไม่มีใครเรารู้เราเท่าเราครูบาอาจารย์ต่อให้ท่าน เล็งชาญเห็นท่านก็ไม่มาเสียเวล า, ลาตู่หรอกใช่ไหมเราไม่ต้องไปเล็งยากอิเลสออกมาโผลทั้งวันทั้งวันฉะนั้นเห็นไหมอิเลตไม่ต้องไปเล็งยากเป็นโชว์เลยทุกวันทุกวันเราะฉะนั้นมันม่นใจว่าสติหรือความรู้สึกตัวของท่านเสียเด่นขาดมากชัดเจนมาก ก็เป็นคนอกไปทุกเรื่องอะมากถ้าทุกว่าอยู่ไม่ได้งาน ม, มันเยอะอันนี้ออนทุกเราไม่ดีมันก็ไม่แบกอย่างปัญญานิวิทเพื่อนหรือนั่งมือราทำไนอยู่ด้วยยังไงก็ช่างไม่เห็นเพื่อนมากมายพรานใจมันไม่เอาอะไรแต่ทํางนานได้ดีนะเพราะฉะนั้นทุกข่านไม่ถึงตรงนี้ เราบวชบูชาผุกหลวงพ่อเป้าหมายหลวงพ้อให้ให้เราพ้นทุกอย่างอื่นไม่ดีแต่ถ้าไอ้มองผิดพลาดไปก็ไม่ใช่แต่ละการบวชบวชามีเรื่องเดียวที่จะต้องถูอต้องตามหลักของมุสโศาสนาคือเพื่อบรรลักษีกิเลสไม่ได้เพื่ออย่างอื่นถ้าเพื่อย่างอื่นผิดบมเป็นวิชาเป็นวิชาสติใช้สติไปทางผิ คุณต้องรบกรเ ب, ลสละทุกนี้าหมาเดียวถ้าเราระทุกไป้จริงทุกคนต้องละทุกได้ถ้าเรารดทุกไม่ได้จอาใครลทุกไ้นะคะใดสงสัยใดบ้างถ้าไม่สงสัยก็จะส นี่อาจารย์นะคะก็สอนทป้าพี่คุณกับนักปฏิบัติทุกท่านค่ะคือถามแทนตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะแทนนักปฏิบัติบางส่วนคือหลายท่านก็จะมองว่าบางทีเรากลับไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้หรือว่าปฏิบัติต่อการงานก็ได้เนี้ยก็เลยแต่ก็ยังมีคำถามมีความรู้สึกว่าอยากจะทราบว่ า, าจริงๆแล้ว เ, ร, เราควรจะไปเก็บอารมณ์เป็นเรื่องเป็นราวมันจะมีประโยชน์หรือว่ามันจะเป็นแนวทางยังไงคะ ความเข้าใจเรื่องการปิดอารมณ์นะคะการเก็อารมณ์ก็คือการรักษาอารมณ์ตัวเองการรักษาตัวอารมณ์ตัวเองเนี่ยถ้าเราเข้าใจจริงๆก็คือมีความรู้สึกตัวอยู่ในตัวการรักษาอารมณ์ทัวเอแต่ถ้าเราลืมตัวก็ปล่อยให้อืตัวเองไปส่งจิตออกนอกหรือไปยุ่งกัคนอื่นอันนี้คือข้อเสีย เราพ่อแม่คูบาอาจาเลยให้ไปอยู่คนเดียวนะคะการไปอยู่คนเดียวถ้าไม่ชนะตัวเองประสบการกับป้าพิคุณที่อยู่กับผู้ติดยาทำกันค่ะอันนั้นขาดอนนหมดอยู่คนเดียวเป็นปีก็ไม่ได้เนื่องถ้าเรายัางชนะตัวเองไม่ได้อยู่กับคนเดียวยี่งขี้เกียจขี้เกียจตัวนี้อีกเยอะก็ะไม่มีใครเห็น อยู่กับโมยังว่าไอ้คนนี้คนนี้ไปหยังแล้วไอ้คนที่มองเรอนะคะถ้าใครไม่แน่ป้าพิุูมิไม่สดงตัวมันอยู่ในห้องเพราะป้าพิภูมิขยัขาานขนาดนี้ไปอยู่คนเดียวจนขี้เหียเลเอาตัวเองมาว่าอาจจะตัวเองไม่ดีก็ไปอยู่จริงๆไม่มีใครเห็นที่ตามอรอยากอยู่ตองไหนก็อยู่ถ้าไปอยู่กับมโมนโมไม่อยู่เราก็มไมอยู่ คนใหม่ดึงคนเกา่าคนเก่าดึงคนใหม่อะไอยนะ่างเี้ยการเก็บอารมณ์ที่แท้จริงคือการรู้สึกตัวให้ได้ตะลอดเวลาฝึกตะลอดเวลาแต่ได้หรือเปล่าเป็นเรื่องการฝึกตะลอดเวลาเพื่อได้ยิ้มใส่และเกิดความคิดชเพราะได้ยิสัยบ่อยบ่อยๆวันหลังนะั้นอยู่ตรงไหนมันเป็นแบบของมันเองเลยนะคือมันจะรู้ตื่นอยู่เสมอ ตาพตาอาปากเขาจะออกมาหมดเลยจะนอนจะนั่งจะเดียดจะกู้แต่รับได้แน่นอนเหมือนเราเฝ้าเราเลยเหมือนมีคนคนหนึ่งมาเฝ้าดูเราสติมันจะมาควบคุมการทำงานขอเราเหมือนเราดูเราทํางานสติไม่ได้เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้น ถ้าคนงานเยอะยกตัวอย่างนั้นสำหรับแม่ชีตัวอย่างนี้ควรจะเก็รไปลงที่เยอะเพราะอะไรเอาไปอย่ามากเขานิ้งไม่ได้แต่เราพวกเราไม่มีหน้าที่อะไรลางการก็รู้สึกตัวได้กวาใบไม้ก็รู้สึกตัวได้เข้าห้องน้ำห้องซ่วนรู้สึกตัวได้เราไม่มีมาละอะไรเยเก็บไปเลยอยู่นี่ก็เก็บได้นะคะคือเราไม่สนใจใครเจะอยู่ต คนรู้สึกตัวกัเรานี่ก็ถือว่าเป็นระโยน์ระด้บนะคะก็คือคือหนูจะถามคมาตัวเองหรอว่าในคิดว่าบางทีหนูคิดว่าหนูมีสติกับการงานหรือว่าทําที่บ้านก็จริงอยู่แต่มีความรู้สึกว่าลึกๆก็มีความรูสว่อยากจะไปเข้าคอร์สให้แบบครูบาอาจารย์คุ้มหรือว่าให้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องอย่างนี้ทำแบบนี้ไหถ้าเราเปลี่ยนบรรยากาศมันก็ดีนะอย่างถ้าเราอยู่บ้านนะ พิโคเะความวิต์ความวิตคววตความยืด ม, มั่นอุปทานะ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ก็อันนั้นเดี๋ยวไปบางทีเดินคิดว่าจะเดินสักช่วโมงหนยเดี๋ยวไปแวะน้องแวะ น, นี่ห้านาทีสิบนาทียังไม่ได้อันนี้ก็กวรไปเพราะการอยู่บ้านของตัวเองนี่ยากนะคะถ้ายังไม่ยื่งข็น ขอบพระคุณคุณแม่มากเลยค่ะได้ความประจา่างเยอะนี่ท่านใดจะถามต่อบไหมคะถามได้เลยนะคะคุณแม่ใจดีมากคอ่ะทางพระคุณเจ้าถามมังเนาะทางพระจะถามไม่ใช่ป่ ะ, ะ, ะเดี๋ยวก็คุณเจ้าก็คําคถามหนึ่งแล้วก็โยนกระเรียมต่อแล้วก็ถามเรื่องที่พากไม่เป็นนี่แหละนั่นก็คือแม่ครัว ท่านพีคุณว่ามีความยากลำบากอย่างไรในการสร้างทีมงานแม่ครัวตั้งแต่อนาคตถึงถึงปัจจุบันเอออดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ขาดการในอนาคตให้หน่อยเรื่องแม่ครัวเรื่องความเข้มแข็งขอเจะนัครับการประมัญสกัดทันตกรรมสำหรับท่ารพี่คุณ ดูคนพ่อมานะคะใหม่ไม่ค่อยมีคนช่วยเราช่วยตัวเองนะคะพอช่วยตัวเองได้มากแต่เราเวลามีหลายๆคนมีปักษารหรือการกระทบกันมันจะมีพอมีแล้วเราก็อาศัยการประดับเป็นแบบคิดคุยกันคุยกันค่อยน่อยรู้ตัวนะคุยกันค่อยๆหน่อยรู้ตัวได้เงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยความรู้ตัวเนี้ฝึกตลอด มันจะช่วยได้เยอะกว่าที่เราไปแก้ปัญหาอย่างอื่นะครับว่าถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของการปฏิบัตินนะั้เราไม่ต้องสร้างทีมงานเลยมันเป็นเองคนช่วยช่วยช่วยงานอ ย, ยนะะ่างใครับแต่ถ้าเขาอยู่กับเราสติมันไม่ได้ แล้วจิตใจมันไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะทออ้อถอยจากไ ป, ไ, ปไม่ต้องสร้างทีมงานดิแต่เราสร้างให้เขามีสติเยอะๆแต่ให้อยู่กับเราได้ฝึกมากๆเราดูคนไหนอ่อนเราก็บอกเอา้าอันนี้ไม่ต้องทํางานนะแต่ให้มีแบบร่วงให้เขเน้นอยูปฏิบัติเยอะๆพอาะปฏิบัติเยอะๆจิตเขาจะมีพลังสติขขมากๆเมื่อสติกมากเนี่ยเขาจะเข้มแข็ง เราเวลากระทบกันอะไรอย่มันจะน้อยลงนอยไปดังนั้นจะไม่แก้อย่างอื่นแล้วก็จะไม่สร้างจุดตึงขึ้นมาถ้าเขามีมีคุณภาพหรือเขาได้ผลลัพธ์ออกมาทางใจเขาเราจะเห็นการแสดงออกของเขาคือมีไฟในการออกมานะคะแล้อยางอารมณ์เขาก็ไม่อ่อนไหวง่า ย, ายแต่ใหม่ๆก็มีบ้างเขามีบ้างเราบอกว่า ถือว่าสร้างบารมีนะทุกอย่างเป็นบุญอย่างที่คำสอนพุทธเจ้าที่มีสามอย่างหลักการไม่ทำบาปทำา่กยการทำกุศลให้ถึงพราการชำระจิตของเราให้เขาแงแรงเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในสิงแวดลองที่ฝุดดีนะคะปัญหาจะน้อยลงน้อยลงมันน้อยของมันเองครับเพราะฉะนั้น ปาเว่าเราจะอยู่กับคนเยอะเองถ้าเรามีหลักหรือมีวินัยต่อกันจะอยู่ด้วยกันง่ายอยู่กับคนเยอะแยะอยา่าคุยแค้นะอย่าพูดพลีอยาอ่าหอบเถียงเพราะงั้นเรื่องนี้ไปเรื่องได้อีถ้าเลบแก้ต้นเหตุทุกอย่างก็จะจบ แล้วพอเขาดูแบบได้ผลเขากลับมาอยู่กับเราเคยมาสามวันสีวันทุลักทุเลเกือบไม่ไหวพอเขากลับไปใช้เขาเปลี่ยนเขาก็มาอีกมากเข้ามากเข้าคนมาเป็นเดือนเป็นหลายเดือนคยบอกเขาได้ผลมากเขาบอกชีวิตเขาเปลี่ยนไปเรน้ก็เลยมีกลุ่มมีคณะมีบุู่ากรชุดเยอะ มาพุ่มได้ด้วยแต่เราไม่ได้ไปสร้างอะไรความเข้มแข็งนี้สร้างอยา่างลบสร้างม่รู้สึกตัวนะคะถ้ิจูนถึงก็ง่ายนะรับรองเลยใครที่ขี้งูหินนะหุดก่อนหยุดก่อ น, อนตจ้นี้ใจย้อนจะเดินถูกผมมากๆนะเราไม่ต้องไปหาผมว่ายังมือกี๊ดนะ้าหาไม่ได้ใช่ไหม ให้ใยังรู้สึกตัวมากม่นานก็เริ่มเย็นเพราะฉะนั้นถึงพูดว่าอย่ากอบจากตัวร้อนแต่คนเรานขาตรงนี้ยังไงยังไงก็ร้อนยังไงก็อยู่ยากเพราะฉะนั้นแก้คนไม่ยากแต่จะทนตัวเองได้ไหมตัวเองเป็นยังไงบ้างครับจะ ชัดนะในในคําตอบการทำฝึกผลคนจนในในทางธรรมเนี่ยเป็นสัตบุรุษเนยผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการบุคคลชุมชนแล้วก็ร่องโบราณก็เรียกว่ารู้รู้กาลเทศัะฝึกผู้รู้ให้มากแล้วก็เอาผู้รู้มามาเจอกันเองกัเนาะผู้รู้ผู้รู้มาเจอกันเขาเขาถามอะไรเขาง่ายเขาถาม โยนาานะจังคืออย่างแคทัท้าอย่างนี้นะจย์ความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นขั้นพระโสดาบันสะาดาคำอินารคามีหรือผ่นานขั้ก็รู้สึกตัวอย่างเดียวถูกไหมรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยก็คือมันบบรู้เลยใช่ไหมยกตัวอย่างะค่ะ ยกตัวอย่างว่าเรื่องของรู้สึกตัวนะคะถ้าเราจะเปรียบเทียบว่าสตินี่มันต้องใช้ตลอดเบื้องต้นทํากลางและที่สุดเพราะว่ามันขาดไม่ได้อย่างเรากําลังเดินทางนะคะมันต้องอาศัยพลังพลังของสติจิตนี่ถ้ามีสติรักษาอยู่ความรู้ตัวทุกความถึ ง, ง, งเขาจะเกะ่แล้วเขาเห็นอะไรทุกรื่องเลยแต่ถ้าสมมติว่า สติเยอะควรู้สึกตัวเหน่อยเราจะสังเตจิตเราจะอ่อนไหวพอเจอทุกข์เนีนยมันมันดันไม่ได้มันไปไม่ได้มันขาดมันขาดมันเป็นอารมณ์ที่ขาดใจถ้าจะยกตัวอย่างว่าทําไมถึงเอารู้สึกตัวตัวเดียวถ้าพูดถึงทางโลกจะเปรียบว่าเรามาเรียนหนังสือ เราไปเรียนเริ่มต้นระบาศใช่ไหมคุณก็ให้เราเรียนกวไก่ถึงทอดมุกใช่ไหมเรียนเริ่มตั้งแต่ระบาศเลยอันนี้คือหลักการเรียนนะคะมีพยัญชนะใช่ไหมพอเราไปเรียนประถมเราก็ต้องใช้พยัญชนะโดยเดยเรียนมัธยมก็ใช้พยัญชนะโดยเใช่ไหมแต่มันแปลไปเรื่อยโดยความสัมพันใช่ไหมด็อกเตอรก็ใช้ ก, ก็ไก่ก็งอนตองพูกเหมนกันใชไหมแต่ความรู้เพิ่มกว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ทุกอย่างได้ยมก็เลยคิดว่าสติสัมปชัญญะถ้าจะเรียนก็เหมือนเป็นวิญญาณชนะเรียนในศิลปะและที่สุดมันก็ต้องใช้ตัวเองอันนี้จำแจ้งนะแ <c oughs> ม, ม่แม่จะรับไปประกาศปริญญาก <c oughs> ็ต้องเขียนกอไก่กอไข่ลงไป <c oughs> มาปะพางฝาทึงจะได้อ่านออกนะว่าใครจบอะไรจบโสดาบันก็ต้องเขียนจบอรหันต์ก็ต้องเขียนว่ารูปเป็นยังั้นะนีะ่นก็ถือว่าแจ็มแจ้งเนาะเอาคำถามต่อไปฝั่งญาติโยมมีไหมยกมือถามดังๆก็ไร้นะ คนะคะอย่าให้ว่าคุณช่วยอธิบายหลายความที่บอกว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมตรงนี้นะคะเพราะว่าเราคงไม่มีเวลาที่จะนั่งยกเบอร์หรือเดินจ ง, งกรมวันที่วันในชีวิตจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันหรือในการทํางานของเรา ที่เราต้องกลับไปอยู่ครอบครัวกลับไปอยู่กับสงังคมกลับไปอยู่กับการงานของเราเนี่ยเร า, เาจะปฏิบัติธรรมโดยผ่านการทํางานงได้อย่างไรค่ะคุณค่ะขอบคุณคืออย่างรูปแบบของที่เราทํากันหลวงเทียนนี่ยมันสอดคล้องเอลยแหละกายเคลื่อนไหวเต็อยู่นะคะ ใจก็บ่อยจะรู้แต่ถ้าเราไม่มาฝึกให้ยึดจักตัวรู้สึกตัวนี้มันเอาไปใช้ ก, กับการทำงานไม่ได้เพราะเราตั้งแต่ทํา ง, งานมาตั้งแต่ปลูกฝันปลูกสอนมาตั้งแต่พ่อแต่แม่เป็พระบุรุษปุโรหิตจับให้ไปได้ใช้สมองคิดนะคะเวลาทำ ง, งานก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ใช้สมองทำแต่เรามา บรรยากานี้ที่มีเทคีมันใจแค่ไหวใจตรงนี้แล้วทีนี้ถ้าเรามาฝึกให้รู้จักตัวรู้ที่ ว, ว่าทุนว่าเวลาการทํางานมันจะเหมือนไม่ทำงามันจะพวบคู่กันไปเลแล้วทีนี้พอทํางานแ้ะใจไม่ยึดไม่ถูกเนงานต้องมีคุลมากแล้งานหนักมันเบา ม, มันก็ไม่ปนแตกมันก็ไม่ไปยึดไปแบบแต่เวลาเราไม่มีตัวนี้ผู้คนจะเครียดทำงาน คือเราเอาใจไปถกูกทำงานเพราะฉะนั้นการการทำงานคือการปฏิบททัติธรรมก็เพราะเรามีสตสิเสนอก็คือจเจริญสตสิปัฏฐานสี่อยู่เสมอนี่คือการทํางานแล้กททกวก็ปฏิบัติธรรมอันนี้ค่ะแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็ยากแต่ือนกัเพราะฉะนั้นถึงต้องมารวมกลุ่มกันก่อนแล้วนะให้รู้จักตัวเรื่องก่อน เพราะฉะนั้นอย่างเรามาได้มีบาดทังนี่นะคะที่สำคัญพิสูจน์ว่าเราต้องคุยกับตัวเองว่าเราสามารถรู้ทุกก้าหรือยังนะคะไปหมเราจะชี้ให้ถึงเรื่องความอยากนาที่เทากระทบพื้นที่อว่าทุกๆตึ๊ตึกึนี่เพื่อว่าเพื่อให้ปลุกจิตให้ตื่นก่อนตั้งแต่เกิดมาเราเดิน เรารู้เราเดินแต่ใจเราไม่ได้อยู่ที่เราเดินนะคะทุกคนรู้หมดรู้โดยสัญชาตญาณของคนเป็นคนควรรู้แต่ใจเราไปได้ทั่วที่เราเดินนี่ใจเราไปสัมผัสไปแต่ทำไมเราเดินได้นี่คือสัญชาตญาณของคนเปคนเราแต่ทีนี้เราจะมาฝึกนี่ให้รู้เติมเตเตเติจนเป็นนิสัย ให้เกิดความเคยชินกับตัวรู้ฝ่าเท้าจริงๆนะคะวเวลามราขยับปุ๊ ม, มันจะไปเลยพี่ตาบูลบอกตามตรงฝ่าเท้าพตาพิบุลเหมือนมีกาวเลยสมัยก่อนใส่รองเท้าไม่เป็นเลยนะเพราะว่าเวลาไปเดินจงกรงเราไม่ชอบใส่รองเท้าเราเดินเท้าเนี่ยมันรู้รู้รู้ลึกเอมันรู้จอดลึกมันลึกเหอียดเอง ตดดล้วมันเจ็บดีเวลาเดินจงกรมไหนก็รองเท้าเปทิ่มโมโทษนาะฝ่าเท้าเหมือนปัสติเลยทำจนมันเป็นอย่างนั้นเราเดี๋ยวนี้จะขยับยังไงมันจะรู้เลยไม่ไม้ปฏิบัติมันก็รสติจะเฝ้ารักษาเราเราเวลาเราทําอะไรมันจะรู้ที่ใจเราเลยไม่ต้องรู้นะ ไม่ต้องดูการดูใจเราไปกดเราเฉื่อย้วเราไปดูใจอย่างนี้นะดูได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันคึด อ, อัดแต่ถ้ารุมสติมันรู้หมดทั้งใจทั้งกายทั้งอารมณ์ทั้งหมดรู้พร้อมกันนะแต่ถ้าไม่มีที่ไม่ยามมันรู้ไม่ได้ปุ๋ม้ันลางซ้ายลากขวาเพราะฉะนั้นเวลาเรามีตัวรู้นี่ลืมวันลืมเวลาลืม ชั่วโมองนาทีได้มันไม่ได้อยู่ที่อุปท า, าคนความกลุ่นแต่คนเราทุกคนนี้ก็ต้องอาศัยอุปทานอยู่แต่ไม่ถืออุปทานก็มาอาศัยสมมุติอยู่ทุกคนแต่ไม่หลงสมมตินะคะเราจะไม่ได้ทิ้งอะไรเลยแต่จิตเราอยู่เหนือเหนือความหมักลงเหนือความรุ่งลเท่านั้น ก็ถอนลุกน้ำก็ชัดเจนถ้าข้ากลับมาปฏิบัติไม่ถ้ามีอารมตัวไม่ขึ้นมามมนสิเห็นตัวเข้าที่พานไปหรือสิเห็นตัวเนืองจากรลุกน้ำเดิมๆก็ไปถ้าข้าปปฏิบัติจริงแก่ตั้งใจใม่ใช่อย่างซาสงสมนิคสาธุคุณถูกครับรองม่ต่อของเดิมได้แต่ก็ ต้องใช้เวลาหน่อยมีแม่ชีคนห่อย่างป้าพิคุณไปสิบแปปีแล้วทีนี้ย่อหย่อนในการตรวจสมัยก่อนหน้านั้นเคยได้อาลกอร้ทึชัดเจนในระดับนึง น, นะคะแต่พอไปนาปนไปไม่เคยเป็นฝระยอนเลยสิบกปีเรามีอาการเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลัเป็น ทรมานมากเลทีนี้เราก็ เ, าเลยเรียกมาอาบบิบัติกับตาทุกนตั้งสี่เดือนมาคืนเลยถามว่าเป็นยังไงไปจูนของเกา่าได้แล้วันสี่เดือนเดินถึงสีทุ่มทุกวันเขานอนเขาก็ไม่นอนเท้าบวมหมดเลย เขาก็ไม่อยู่เขากลัวกลัวเป็นเหมือนเดิมที่อยู่ไดนน้กันประมาณสิบสองปีเขาได้อารมณ์รูปนามอะไรอย่างแม่พูดว่าชัดเจนอะไรอย่าง น, นี้นะทีนี้ทนี้หลังจากนั้นไปนอยู่ที่อื่นเขาประมาณเขาก็ย่อม ย, ย้อนไปเรื่อยพอสิบแปดปีก็ไปหนักกินกึ่งแร่เขาบอกไปตลาดกะลี้มันมันไม่หายเลย อารมณ์หนึ่งที่มันเสียบแพนไม่หายเ น, นี้เข้ามานอนกลางคื น, นก็หลับไม่ได้ะน้าสงสัยมากแต่เขาไม่ได้ทำไปเสยียอันนี้มันเหมือนกับว่าธรรมะมาเตือนว่าอันตรายเขารำอยู่สี่เกิอนปวดเขาบ อ, บอกเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เขาประมาณไม่ได้ที่เขาเข็นจนตาย เขาบอกเขาทำตลอดเลยเขาจะไม่ทิเพราะฉะนั้นเมื่อจุนาายากมันเติอด้วยมันไม่ได้มันไม่มนไมนไหนีไปไหนสิ่งที่เราได้นะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทําต่อ น, นะ้มันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่จะพบไหนที่เราจะมีโอกาสได้พามาันมันจูนเข้าหากันดีไม่ดีด้วยจะเจอแล้วก็ ป่าวคุณยุนยุ้งในสมัยนี้ไอ้ยันชาตินี้คุณแม่ยุ่นยังไม่สายเกินไปแต่ให้อยู่กับตัวเองให้ได้เป็นนี้ถ้าตามใดยังดืนใจกับมาอยู่กับตัวเองไม่ได้นี่ก็ยังคําทางไม่เจอถ้านะยังไม่เจอหลักรู้สึกตัวที่เราวิธีการนี้ไม่ใช่เป็นตัวรู้สึกตัวะนะั้ เพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวเฉยๆตัวเคลือนไหวนี่ไม่ใช่เป็นตัวรู้สึกตัวที่เราทําเป็นเทคนิคเป็นวิธีการทำพัฒนาสติและความรู้สึกตัวให้สมุดเลยแต่วันไหนเมื่อมันสมบูรณ์ขึ้นมาเราสมัมผัสได้วันนั้นเราจะรักอยู่ไหนไม่ต้องมีใครมาอะไรลักว่าที่จะอยูก่กเอรักจริงๆ ลักยังไงก็เลิ่ไม่ได้จริงที่เขาบอกว่ามีเงินดิโอว่าต้องรักษาเงินดองสร้างเยงจมูกบ้านช่องรถอะไรเราต้องรักษาแต่เรามีทำทํารักษาเราเฝ้าเราไปทุกคนเองคอยเตือนนะเราจะพูดอะไรคิดอะไรเนียเขาสะกิไปเรามีเหมือนเราไดู้ จัดการที่ยอดเยี่ยมองคุมเราให้ปลอดภัยอย่างนั้นเลยเนะี่ยนะมีคำถามเพิ่มเห็นจะลงลวก <c oughs> ็มีคำถามมาเพิ่มเมื่อกี้ฟังว่าเ <c oughs> มื่อกายกับใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ <c oughs> มีตึกมีนึกมีคิดคิด มีเรื่องที่คิดนี่คือสันขานทำแล้วรู้สึกตัวทั่วทั้ะตึกนึกคิดแต่ไม่เข้าไปร่วมสภาวะนี้แล้วลืมวันลืมเวลาข้อที่หนึ่งนะลืมวันเวลานี่หมายถึงว่าเป็นภาษาพูดหรือ ว, ว่ามันไม่ปุมกี่ชั่วโมงหรือ ว, ว่าไม่เข้า ไม่เข้าไปในสังขาร น, นั้นกี่วันขมว่างจำนวนนี้นะข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเมื่อกายกับจใจนะอยู่ด้วยกันชัดๆที่เป็นอัตโนมัติแล้วไม่มีเจตนาอามาคิดว่าโยมน่าจะมีสมาว น, นี้อยู่แล้วที่เขาว่างขึ้นมาแล้วไม่มีสังขารอยู่ในสมาว น, นี้เลย แล้วถ้ามีสภาวะนี้อยู่มันว่างอยู่คิดเป็นเวลาเท่าไหร่หรือว่าเป็นวันมีไหมหรือว่าเป็นเดือนเดือนยังทรงสภาวะนี้อยู่สองข้อเจอหมดที่จริงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดะสมมติมันจะมีความต่างช่วงช่วงการเกิดกัร หรือการเปลี่ยนสภาวะช่วงนั้นจะจะเห็นได้ชัดนะคะจะเห็นได้ชัดและทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันปรุงไม่ปรุงเนี่ยเราเพียงเพื่อรู้มันมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งเราไปดูการทำงานของระบบการปรุงแต่งของเรื่องจิตเี่จตนานะคะทุกอย่างนี่เป็ น, ปนสภาพสภาวะที่ทการกนะคะเป็นสภาวะที่ปรากฏ ตอนช่วงนี้เราสามารถถ้าถ้ารู้ยังขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเนี่ยกายกับใจอยู่ด้วยกันมันเป็นธรรมชาติที่ธรรมดานะคะมันเป็นเราก็รู้ไม่เป็นเราก็รู้แล้วมันจบทุกอย่างเป็นมันก็รู้ไม่เป็นมันก็รู้มันไม่ไม่เป็นเข้ากับตรมณ์ใดเลยแต่ถ้าความรู้พร้อมที่เป็นสภาวะที่ได้เกี่ยวนี่นะ มันไม่ใช่ไม่นึกไม่คิดมันมันเหนือนั้นแล้วก็มันล็กเอียดแล้วมันเหมือนเรามองทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่มันรู้รู้เลยมันละเกียดมากเลยว่านิดเดียวเนี่ยมันจะรู้หมดเราอย่างเราอยู่ตายกับใจอยู่ด้วยกันนี่ไมันก็เหมือนเราเหมือนเราไม่มีอะไรเหมือนเรา ดูไปวันไปก็เหมือนเรายืมเรามาเก็บสภาพเหมือนเหมือนคนไม่รู้อะไรด้วยซ้ำไปนะคะแต่ทีนี้รล้วมันก็เป็นบ่อยๆแล้วแต่มันอยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากเป็นมันก็ไม่เป็นบางทีนั่งเฉยๆก็เป็นตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บก็เป็นก็มีทำงานอยู่ก็เป็นก็มีไม่จาเป็นจะยกมือหรือไม่ยกมือนะคะ แต่ที่นี่เวลามันเป็นของมันเขาเรียกแบบเหมือนต้นไม้อ่ะตอนมันบูบใหม่ๆเนี่ยต้องใช้รูดน้ำรูดอเยอะแต่พอมันแตกขึ้นมาของมันมันอยากแตกอะไรออกมายอดใบยอดแตกมันเราก็ไม่ได้ไปสนใจเลยมันแต่ทุกอย่างมันทำงานเหมือนเดิมนะคะแต่มันไม่ข้องมันไม่อะไรตรงนั้นแต่เวลามันไม่ละเอียดนี่นะสมมติเราอยู่นี่นะมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหม ถ้าม <utan> ันละเอียดไปเนี่ยเมื่อเราในในตัวเรามันเหมือนอยู่บนท้องฟ้าคนเดียวในโลกแต่รู้อะไรหมดนะอีกอย่ยมันไม่ใช่ถึงภาษาพูดเพราะมันก็เกิดบ่อยอยากเกิดมันก็เกิดอยากเปลี่ยนนเปลี่ยนแล้วเวลามันเกิดเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับมันนะเวลามันไม่เกิดเราก็ไม่ได้ไปไหนอยากได้ก็ไม่มีไม่อยากได้ก็ไม่มี ว่ามันเป็นสภาวะที่เหมือนกับที่จริงมีอยู่ทุกคนนะที่มันเรายังควบคุมสติเรายังไปรักษาใจตัวเราไได้ตัวว่างตัวรู้พร้อมตัวไหนเราก็มีอยู่ทุกคนนะแต่เดีนี้มันเข้าไปอยู่ด้วยไม่ได้เพราะฐานที่ตั้งของจิดเราไม่แรงมันเลยเปน็นปนะัญหาแต่เวลาเราทําตัวนี้เนะี่ยเราจะเห็นเลย มันอยู่ใครอยู่มันยังไงอ่ไถ้าสี่ถึงห้เราทั้งหมดนี่นะที่จริงบางทีมันสบายจนอยากให้คนมาดูแทนอย่างเจ็บป่วยหนักๆนะสมมติว่ป่วยหนักที่สุดให้อยู่กับมันให้ได้นะจะนอนเฉยๆก็ได้จะหาตัวรู้สึกตัวใดถ้าตัวป่วยนี ừ ừ ่ผ่านไปสมมุติว่าสามวันนะ จิตตนจะมีสมองว่าที่พิเศษมากเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธยทุกอย่างไปเสียอารุณ์แรงของสองสิ่งนี้มัน อ, อยู่ด้วยกันถ้าสิ่งนี้ไปสิ่งนี้ก็มาครัก็เห็นผมว่าสังขารในสองส่วนสังขารนี้เป็นสังขารกับอสังขารไม่ชัดเจนว่า สังขารนี่ที่เกิดแล้วเมื่อมีเหตุท้องสังขารทาก็เกิดก็เห็นเมื่อหมดเหตุก็ก็ปุงเป็นสังขารที่หลงเข้าไปในดงของความคิดบ้านแล้วอสังขารเนี่ยสังขารที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเนี่ยเกิดขึ้นนานแค่ไหนโยมพี่เตยอรเกิดเรืเ่อยๆช่วงช่วงช่วงยาวของการเกิดสภาวะนั้นน่ยกี่กี่นาทีหรือว่าเป็นวิ นานค่ะถึงเป็นชั่วโมงไหมค่ ะ, ะก็เป็นสมวาวะที่มไม่มีโลคนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีวันเดือนปีปากกดอย่างนั้นถูกต้องไหมเป็นสมาวะอย่างยิ่งถ้าสมมุติมมว่ามันใช่ก็ใช่แต่ถ้าจะยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าช่วงนี้เราบันทึกใหม่นะ เราเปฏิบัติาเดือนหนึ่งสบายนิดนึงโมนังที่ยสองเกี่ยสบายนิดนึงมันจะสัมผัสด้วยตัวเองว่าสบายยังไงนะแต่นั่งเข้านั่งเข้าตัวสบายเนี่ยมันเป็นเจ้าของบ้านเลยนะตัวไม่เอาไหนนั่งทีปรากฏทีมันก็เห็นเ้วยเดิมเลยแต่บางทีบางทีไปมาไปมาที่จริงมันก็จะว่าไม่มีก็ไม่เชื่อนะ ว่ามันปีมันก็ไม่เชิงนะพราะมันอยู่เป็นเหมือนแต่ว่าเป็นอิสระเท่านั้นแหละแต่เราจะรู้เรื่องนี้หมันจะเกิดมันจะไปมันจะมาแต่นไม่ไม่ข้องอยู่แล้วก็เหมือนเราเป็นคนไม่มีอดีตไม่มีอนกคตไม่มีปัจจุบันด้วยนะเพราะมันไม่ให้คนสนใจเลยเท่าไหร่แต่ก็ ทำหน้าที่ของมันไปปกติแต่ไม่ใช่ว่าไม่คิดไไนม่เองนี่หมดเหมือนเราเดินๆเลยแต่สภาวะจิตเราทำงานที่มันไม่มาห้องแวะเราแต่เราสามารถเห็นมันดูตลอดเห็นจิตนะไม่ต้องดูนะอย่าดูจิตนะดูจิตข้อเสียแต่ถ้ามันเห็นเองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงถึงเวลาเขารักษาได้ มันเห็นจิตโดยไม่ต้องไปดูไั้ไหมายถึสติมันเยอะมันรักษาจิตเราไดงถ้าอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตเราจะไม่ติดเพื่อเลยแปลตรงต้องถามต่อนะครับขอเพิ่มเตอตรงนี้หน่อยคือว่ามันเป็นแบบต้อหน่อยไปใช่ไหม มันไม่ใช่ว่าเป็นวินาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงมันไม่ได้บอกแบบนั้นคือมันเป็นอย่างนี้ตลอดจานถูกไหมเหมือนเราเห็นทุกเราไปทุกเรามาทุกวันทุกมาหาเราวันละหลายครั้งมันก็ไปวันละหลายครั้งตัวสภาวะที่เป็นปกติก็เหมือนกันเออแล้วทีนี้ตัวนี้ก็จะเกิดกับเราเรื่อยๆไม่เราไม่ว่าแต่มันไม่สีเรียเวลาลืมหรือไม่ลืมมันไม่มันไม่สนใจแต่ มองทีเราก็คิดเหมือนกันว่าเขาจะมองเราบึงทีเราืมก็จริงๆว่ารักปากเขาอะไรอย่างเงี้ลืมจริงๆแต่เวลาคิดได้มาไปบอกลืมจริงๆลืงมากกว่าเลิมเรื่องการฝันกับอะไรนี้ฮทุ่างปกติปกติว่ราะสภาวะวัตถุ้าเรามีนัน่นนันแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยฝันค่อยอะไรนอนจะหลับสนิทอะไรอย่างนี้เป็นจริงนะ จริงเหมือนกันแต่ใจเราจะไม่สาคัญมั่นหมายอะไรฝันดีก็ไม่สาคัญมั่นหมายฝันไม่ดีก็ไม่สาคัญมั่นหมายแต่มันก็เป็นไปของมันตามธรรมชาติแล้วก็เรื่องร่างกายนี่เป็นหนักกว่าเดิมเพราะมันแก่ไปทุกวันแต่ใจนี่ไม่สัาคัญนแล้วไม่กลัวด้วยนะเวลามันเป็นเนี่ย มันจะเฝ้าดูใจมันและเวทนาอยู่กับตัวนั้นได้ตลอดเวลาจนมันหลับไปเองถตื่นขึ้นมามันก็เฝ้าอีกอย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่คิดว่าอยากหายแล้วไม่คิดอยากหายอยากแก okay. มันเหมือนเราเจออะไรเหมือนเราเจอสิ่งที่จะต้องเรียนรู้อะ เพราะว่าพี่วนเคยป่วย15วันได้กินยาแล้วเดินจงกรมตลอดหลังจากนั้นเราจ็มันูุนจากความทุกข์ตอนนั้นได้อย่างขำลอยช่วงนั้น3ปีแรกเพราะว่าเราอยู่กับทุกข์15วันป่วยสุดๆทั้งกายทั้งใจลําบมอะไรดังประเดมาเราก็อยู่เดินจกนกุกรมตลอดไม่พักหนึ่งแต่พอ ไข้หายสี่ห้าวันโอ้ยอีกโลกหนึงเลยสมาวะที่ปวดอีกโรคหนึงแต่ให้เรารู้ว่ามันหลุดออกจากโลกของมันได้จริงๆครับขอบขอบ ข, ขอบคุณมากครับข อ, ขอบคุณค่ะสาธุค่ะ ขอกราบนมัส ก, การพระคุณเจ้าเป็นลูกค่ะขอกราบคุณแม่ีุกว่าอาจารย์ค่ะเพราะว่าอันนี้เคยเข้าไปหาคุณแม่ตั้งแต่ปีสีเก้าทีนี้ก็ไม่เคยปฏิบัติที่ไหนเลยก็เข้าไปตนนั้นอน้องเป็นโยมอยู่ผ่านไปค่ะแล้วเสร็จแล้วที่คุณแม่สอนครั้งแรกนะคะพอเข้าไปคุณแม่ก็บอกว่า ให้รู้สึกตัวอย่างเดียวนะรู้ไหมรู้สึกตัวเป็นยังไงไม่รู้ค่ะคุณแม่บอกเห็นรถไหมรู้ไหมรถสียอะไรรู้ค่ะให้รู้แต่ว่าลถแต่ไม่รู้มันไม่ต้องไปรู้ว่ามันสีอะไรให้รู้สึกตัวอย่างเดียวนะเสร็จแล้วตั้งแต่ปีนั้นละคะ่ะก็ไปทาความรู้สึกตัวคําจนคอแข็งตัวแข็งคือมันเข้าไปนึ่งก็ค่ะมันออกไม่ได้จนทุกวันนี้ ไม่ซีก็ยังเป็นอยู่ค่ะคือมันเข้าไปลึกแล้วนานๆมันถึงจะออกมาที่เลี้งกันก็นนคืออยากจะเรียนถามคุณแม่ว่าจะทํายังไงที่มันจะออกมาอยู่ข้างน อ, นอกได้ค่ะเพราะว่ามันเข้าลึกมากค่ะจริงๆที่บอกความรู้สึกตัวเนี่ยก็พราะเพือป้องกันตัวนี้มากกว่านะคะอ้าพี่คนจะไม่ไม่บอกอะไรมากเพราะส ม, อ ง, ม, มองคนเรามันมีความเรียนรู้สึกเรารวดเร็ เราจะสอนไม่ง่ายรู้สึกตัวไว้นนเพราะบางทีเรามันไปดีบคั้นตัวเองให้รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งเราอยากถ้าเรามีอยากหรือจะดีบคั้นตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวนี้เป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวไม่ขึ้นไม่ลงเป็นตัวไม่ฟูไม่แฟกนะคะตัวรู้สึกตัวนี้มันเป็นตัวปกติ ตัวตัวรู้จบนี่นะนะคะแต่ที่มันตัวอื่นก็คือตัวสภาวะหรือเวทนาที่มันแปลวนแต่ตัวรู้สึกตัวนี่มันไม่แปลวนนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแค่นี้แต่ตัวอารมณ์อย่างเรารู้สึกตัวกับรู้เจ็บรู้ปวดคนระู้นะส่วนมากเวลาเจ็บปวดไปอยู่กับตัวเจ็บปวดเองโดยไปยึดเจ็บปวดเลย ตัวรู้สึกตัวกับตัวเวทนาคนละตัวแต่ส่วนมากพอเวทนาเกิดขึ้นปุ๊บเราไม่รู้ตัวเนี่ยไปรู้ไปรู้เวทนาเนี่ยถูกมันยึดทุกวันทุกวันทุกว น, กวนเพราะมันไม่ได้มีหลักนะคะมันไม่มีหลักเพราะฉะนั้นเราทํายิ่งทําก็ยิ่งเหมือนยึดเข้ายึดเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นบอกก็รู้ตัวนะอย่าเอาอะไรแต่ที่ง่ายที่สุดออกจากรูปแบบเนี่ย ยี่ยมันตัวนี้ง่ายมากแต่ถ้าอยู่ในรูปแบบมานมันรู้กิเศสเรามานเราถ้าแค่เรามายกมือนะลองไปนั่งเฉยๆไม่ง่วงนะยกมือมันก็มาล่ะนี่คือมานแต่ถ้ามันไม่มีบารมีก็ไม่เกิดไม่รู้จะไปสู้กับใครนะเพราะฉะนั้นเดินแต่ละก้าวเนี่ยทำไงดึงใจให้เขาเอาตัวนี้ง่ายๆดีวกว่า เนี่ยช่วงมาอยู่ในสิบวันหาตัวรู้ให้ได้ก็บอกไม่ต้องอยากได้อะไรป้าวิุณนะดีใจสิ่งที่ตัวเองเกิดก็ไม่ไดีป้าวิุณไม่เคยหยูประเด็นเลยนะตั้งแต่ปฏิบัติมาวันแรกยุดเรารู้จากจิตเราเห็นจิตเราเพราะเราทาความรู้สึกตัวนะจำความนี้ไว้ดีๆจะง่าย พอมันรู้สึกตัวเอาหัวใจเรารู้สึกตัวนี่สุดยอดนะพอจิตเราว่างจิตเราสบายจิตเราโล่ง โ, โอ้รู้สึกตัวทำไมไดีจังนะมันไม่หลงประเด็นมันไม่ไปเอาว่ามันไม่ไปเอาเบาพอรู้สึกตัวปุ๊บหนักมามันก็ไม่สนใจเบามางก็ไม่สนใจไม่เอียนมามันก็ไม่สนใจปรานีมามันก็ไม่สนใจ ก็าอารมณ์นี้มันจะหลากหลายมากยิ่งทำยิ่งหล า, ากหลแต่ถ้าฐานตัวนี้ไม่นั่นลงทุกอารมณ์นะติดทุกอารมณ์มันต้องติดเพราะตัวพวกนั้นมีรสชาติหมดตัวนี้ไม่มีรสชาติตัวรู้สึกตัวไม่มีรสชาติสภาวะทำทุกสภาวะมีรสชาติมากทําให้จิตเขวิจแขวงจิตแรงบวกไปงงาน ยันทำเล่นๆแต่ทําให้ฝ่ิงลึกและลึกรู้บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยปฏิบัติทาทุกอย่างต้องมีหลักนะคะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนทุกโทนั้ทุกมาคิดมาฟู้มาอารมณ์ทุกอย่างมันแรงบวมมาราคามาอะไรมนพุทโธไว้พุทโธไว้พุทโธไว้เอาคนที่ไว้หลักกันตาย อันนี้ก็เหมือนรู้ตัวไว้อดี๋ยวไปแก้มันรู้ตัวไว้จนมันเข้ามาไรกิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฆ่าไม่ได้หรอกจะเป็นยังไงนานไปก็เหมือนลดลจิดลงทําไปทําไปก็เป็นจิตอนัมาเพราะฉะนั้น แ, แต่ถ้าทําไม่ต่อนเนื่องนัะที่เขาว่าเป็นคอสเป็นคอสหรื อ, ร อ, รอรการจากคอสมันเป็นคอสของจิตโดยตรง อยาน้อยต้องเจ็วันนะต่อเนื่องต่อให้ได้ความต่อเนื่องนีมนะถ้าต่อเนื่องแล้วมันจะเป็นปรับอินซีปรับอารมณ์เราทั้งหมดเลยมันจะแบบของมันเีงนะถือว่าเป็นคอสจิตโดยตรงเลยถ้าทางกายก็เหมือนเราป่วยนะไปกินยาเจ็ดวันถ้าไม่ถึงเจ็ดวันไม่หายมันดีไปหายวันที่เจ็ดเป็นในภายเจ็ดวันนี้ระดับหนึ่งถ้าใครทําต่อเนื่อง มันจะสัมผัสถ้าสัมผัสได้เนี่ยโอ้ไม่ยืดแบบอยู่กับหมูนี่มนไม่สนใจหมูเลยนะอยู่กับใครมัน ก, ก็ไม่สนใจใครเลยนะมันสนใจแต่ตัวเองนี่แหละมันจะปรับเปล่ได้เพราะว่ามันอัศจรรย์ธรรมะอันดับเจ้าเมื่อกี้คุณป้าบอกว่าดูเวทนาเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้ยค่ะ นอนนอนหนลับหลัพุ่งตื่นมาขามคันคที่ขึ้นคันอะไรก็ดูโอ้โหมันคันมากจะทํำยังไงเอ๊ะทําไงที่เราจะหลับต่อเนี่ยก็ลเลยไม่ดูเวทนานะคะแล้วเป็นว่าอให้ดูลมหายใจเข้าออกมันก็หลักไปเลยเนี้ยคะ่ะแต่ถ้าเผื่อเรามีเวทนาเนี่ยเราจะดูยังไงคะดูความไม่เที่ยงของมันดูความเกิดขึ้นตั้งอยูด่ดับไปหรือไไง รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเลยไม่ต้องไปสนใจเวจานะ้าแต่ถ้ารู้สึกตัวแล้วมันจะรู้ทั้งหมดแต่ถ้าเรารู้เวทนาเราไม่รู้สึกตัวนะ่ะเป็นเราเข้าไปรู้ละแล้วมันจะทุกข์แล้วไม่ไม่ต้องดูเวทนาไม่ดูมันก็ยู่กับมันก็รู้ของมันแล้วแต่ที่เราไปดูนะ่ยส่วนมากเราถูกมันดึงมากกว่าเลยไปยึดมันเพราะฉะนั้นป้าก็าสอนเล้ดูเวทนา แต่ถ้ามีสติปุ้กมันจะอยู่กับเวทนารู้เวทนาเห็นเวทนาแล้มันจะลากเวทนาขอกมาในตัวอนนเออสติทำหน้าที่ไม่ใชเ่เราทำหน้าที่เออเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวไว้อันนี้แหละเป็นหลักเป็นสะพานเป็นมัเลยเป็นทางแล้ว <c oughs> การใช้ชีวิตประจำวันนะคะคุณ้าพอกลับไปบ้านเนี่ยก็ เดี๋ยวคนน้ก็โทรมาเดี๋ยวคนนี้ก็คุยด้วยเลยเงี้ยเราเราจะรู้สึกตัวยังไงพยายามทำทุกวันหรือเป่าพยายามทําค่ะพยายามแต่ยังไม่ทําก็ตื่นไม่ทําค่ะตอนเช้าตื่นมาก็เดินโยนลมกลางวันก็อันรู้สึกตัวทําโน่นทํานี่แต่เวลามีคนมาคุยด้วยอย่างเช่น ที่อยู่ที่นี่ก็บางทีเราก็คุยแล้วก็รู้สึกว่าเราไปคุยกันทำไมเนี่ยแล้วเขาก็มาคุยกับเราเทำไมเข้าต้องมาคุยกับเราอะไรเงี้ยเลยจะทำยังไองไอะค่ะไม่ต้องทําอะไรขยันปฏิทัติธ ก, ก่อน <c oughs> จนตัวมันชนะไใจตัวเอววงไม่ใช่คนเรานะคะสมมติเราเราอยู่กับโลกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้<ฆ>าคุณวางโลกได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งธรรมะก็เข้าไปในตัวคุณได้เปอร์เซ็นต์ ถ้าคุณวางโลกสักาสิบเปอร์เซ็นต์ธรรมะก็จะไปแทนเนี้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณทิ้งหมดไม่เอาอะไรธรรมะมันไปเป็นเจ้าบ้านถ้าเรายังเอาโลกอยู่ของสองสีงนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เขาคุยกับเราเราก็ต้องคุยกับเขาค่ะหรือเราดูปากตัวเองนะคะไม่ป้าคุณคุยอยู่รู้ตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจนเรารู้ตัวมากไม่ได้มากที่สุดก่อนถ้าทีนี้ ถ้าเรายังทำไม่ได้ล้วก็เชีย่ยงการปฏรปการปฏิบัติน<ำ>มันมันมันเบีเ้ยงไม่ได้นี่ง<ป>าไม่ต้องกลับบ้านอูกับหงพ่อเลยยุก <c oughs> ป่าไม่เป <c oughs> ็นข้าวยาพูดไปด้วยเราก็จยับ <c oughs> ไปหรอกถาเราฝึก ม, มากๆมันจะเต็มของตัวเองไม่ต้องไปทำแล้วถ้าขยันเดินจงกรมสร้างจบาบ่อยๆสติสัญญาจะติ ปกติปุ๊บคุยก็ไม่เสียหายแต่ใหม่ๆมันต้องขัดขึนแต่ไม่ก่อนบ้านคุณคุยอย่างนี้นมนไม่เป็นแลมันจะไปอยู่กับทุกท่านหมดเปจะดูท่านเห็นท่านใจเราก็ไปอยู่กับท่านหม ด, ด, ห ด, หมดแต่เดี๋ยวนี้ตาเราเห็นท่านเป็นใจเรายังอยู่กับเร า, เาแต่เมื่อก่อนไม่อยู่มันต้องเห็นก่อนเห็นว่าเราเป็นยังไงก่อนประเด้นการฝึกต่อเนื่องสำคัญที่สุ Gracias sí, sí, sí.